ถ้าพร้อมก็กราบถวายตังนโมจบพร้อมกันนะโมตัสสะาควะโตอระระหงโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอควะโตอระระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะาควะโตอระระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่ประสงค์ทั้งหลายผู้เจริญ ข้าแต่พระสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายข้าพุทธปฏิมากรพระพุทธปฏิมากรข้าไตรชีวรนข้าไตรชีวัสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้สิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระสงฆ์ ถวายแด่พระสงค์ขอพระสงฆ์โปรดจงรับขอพระสงฆ์โปรด จ, จงรับพระพุทธปฏิมากรพร<า>ะ พ, <า S 2> พุธทธปฏิมากรผ้าไตรชีวอนผาไตรชีวรนสิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้สิ่งของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านีา้าาของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายถวายเพื่อุเพื่อเพื่อถวายกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จ พระพุทธาจารย์พระพุทธจารย์สนิทชวนาปัญโยสนิทชวนปัญโและเดพระคุณหลวงพอ่อแลระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลพระราชวรมนาวัดธาทรงเป็นที่สุดวัธาตุทงเป็นที่สุดขอให้ร พ, พระเพระคุณหลวงพ่อขอให้ดพระคุณหลวงพ่อทเจ้าคุณสมเด็จเคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนาปัญโย และประเด็ิพระคุณหลวงพอ่พงพอท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกส ล, ลให้หายจากอาการอาภาษด้วยอนิสงค์แห่ ง, ง, งการถวายสังคาา ท, างทานแห่งการเจริญพระพุทธมนต การเจริญปุจแห่งการเจริญจิตตภาวนาในการเจริญจิตตภาวนาบุญทั้งสามประการนี้จะมีผลมากน้อยเพียงใดมีผลมากน้อยเพียงใดขอให้บุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยบำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่ชาติต้น ตั้งแต่ตั้งตนจนถึงปัจจุบันจะมีอานิสงส์มากน้อยเพียงใดกมมมีานสขอให้บนทั้งสามประการนี้จงสําเร็จสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวทแก่เจ้ากรรมในเวทของท่านทั้งสองของท่านทั้งสองขอจงอาหัวศกรรมขอจงอาหัวกรรมให้แก่ท่านทั้งสองให้แก่ท่านทั้งสองตั้งแต่นี้ไปตั้ง เข้าเข้าสู่พันิพานเธอข้าเข้าสู่พันิพานเธอสาธุต่อไปก็จะได้ถวายกุศลเนะเาะเสร็จแล้วก็รับพอรพร้อมแล้วเนาะ ว, ว่าตาอีกทางบุญญาพลงอีกทางบุญญาพละโด้วยอํานาจแห่งกุศลผลบุญ เพื่ออำนาจแห่งกุศลพลพุนที่ลูกๆกทั้งหลายที่ลูกลทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วได้บำเพ็ญเพียรมาแล้วตั้งแต่ชาติต้นตั้งแต่ชาติต้นจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันานิสงแห่งทานบารมีานิสงแห่งทานบารมีศิลบารมีศลบารมีานิสงแห่งการเจริญภาวนาานิสงแห่งการเจริญภาวนาแห่งการเจริญพระกรรมฐานการเจริญพระกรรมฐานบุญทั้ง3ประการนี้บุญทั้ง3าประการ ที่ลูกๆได้ความเพลินมาลูกลๆทั้งหลายขออน้อมถวายกุศลทั้งหมดนี้แด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนาปัญโยแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลขอให้ หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จขอให้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณสมเด็จแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณได้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณได้โปรดเมตตาโปรดเมตตาโมทนาคุณสนทั้งหมดของลูกนี้โมทนาุทั้งหมดของลูกนี้ขอให้หลวงพ่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จขอให้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณสมเด็จวัตรายมิตรวัตรมิตรแด่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัฒสุง ต้องมีแต่ความสุขกายสุขใจหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพ่อท่านเจ้าพระคุณแม้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณปราถนาสิ่งใดใดขออนุโมทนาให้หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ S <S หลวงพ่อหลวง่เจ้าคุณสมเด็จวัดไรย่ยมิวัดมและหลวงพ่อท่านเจ้าค e ุณวัฒทาสงแหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวท่งได้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นได้ความปรารถนาในสิ S <S 2> <S 2> <S 2่งนั้นนัลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายขออาราธนาขออาราธนาให้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณสมเด็จ แด้หลวงพ่อเจ้าคุณดหลวงพ่อท่านเจ้าคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชภาวานาโกศลพระราชภาว น, นากศลรับอาราธนารับอาราธนาอยู่เป็นร่มโพร่มไสรอยู่เป็นร่มโพร่มไให้กับลูกๆทั้งหลายให้กับลูกๆทั้งหลายแลชาวพระพุทธศาสนาและชาวพระพุทธศาสนาตลอดไปเทินตลอดไปเทิน ญาโย ก, ก็ต่อไปก็กวลัดนาำกันเนาะพาจะได้ให้พรกัน<ะ>ยะท้าวาิวห้าปุราภาริปุเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปะเมวะสมิจตุสพัพเทปุเรนตุสังกปา ฉันโทปนรโสยะธามณิโชติรโสยธาสิตโยเววัจจนตสัพพโลอโควินาสตุมาเทาวันวันตรายุสุคิติขายุโกะเบาะสั ภาวะซาเปติวาวิวาจันตุสัพพโลววิาตุมาเตวะวนวันตารายุสุขีกายุโกวะวะอาิวันตนสิริ โสอันตร atra สสกิโตวิรุณหควทศสเนวารคสิโตควกิติหาสเปยติิโสอันตรสสกิตโตวิรุณหัววทศสเน เทีิยติปิอายุโทะปะรโทติโรวันะโทะปติพะนะโทะสุขะธาทตเม กายูยสวาหติยายทุปปจติเตตภวตุสาพะมังคะรังรักขันตุสาปเทวตาสังะปุนตานุ สัวเทียพวันตุเทพวตุสามังภรังราคันตุสามภเทวตาสามภธมานุภาเวนสตาตวทีพวันตุเตพวตุสามังภรังราคันตุสามภเทวตา สังฆานุอาวนสัทสุทีท้าวนตุเตนี่หมดกราพระพรองกันครับรหัตถ ม, มาสัมพุทโธพระกวางครรวรทางพระกวานทางวาพิวา ว่าคาตวพรวตตาธรมวัธรรมันามจามิสปฏิปันโน